ทำกันเนมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วออกไปทาถ้าไม่มีการกระทามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทาทวามเป็นสิิงที่จำแนกสัตว์ทั้งหลาย ทำดีก็ย่อมดีทำชั่วก็ย่อมชัว่วเพราะเรามีกายไม่ใจถ้าเราก็ทำทางกายทั้งใจที่ไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ทาทางกายทั้งใจถูกต้องก็เป็นประโยชน์ การเล่นเสียทิ้งโทษการทํประโยชน์ก็คือวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนี้เป็นวิชาที่ละความชั่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์ที่จะเกิดเป็นฉินสมาธิปัญญาเกิดเป็นพระขึ้นมาเกิดเป็นผู้สนขึ้นมาหรือมากเปผลขึ้นมา จะอ่อนวอนไม่ได้ขอไม่ได้เรามีกายมีใจเป็นเครื่องมือทําความดีสูงสุดเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นมรรคผนิพพานแต่เราใช้ไม่เป็นก็เป็นอาบายไปชั่วอับายเป็นจัโลกเป็นเปรตเป็นชัลยกายนิรชนเป็นภูมิไม่เจริญ ก็เสียชาติที่ได้เกิดมาทีนี่ก็สอนวิชากรรมฐานตามที่พระเจ้าสอนตามตามที่พระเจ้าสอนเองินข้อที่พูะเจ้าห้ามตามตามข้อพระองค์อนุญาตคือวิชากรรมฐานนี่ เดียนวิชานี่อย่างเดียวไปได้ยกลาเรินสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาและความชั่วทวมดีจิตบริสุทธิ์พวกเรานี่ในฐานะนที่มีสตาออกบัวจากเือนไม่เกี่ยวค่อนยเรือน สัทธาอาคาลาสัมมาอานาคาลายังปะพัสิตาที่เราได้สวดในสาธิจะด้เป็นนาคาลิกะบุคคลไม่เจียวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแม่มีบ้านก็ทำแป้งไม่มีมาทำกรรมฐานเราไ่ต้องทิ้งบ้านไม่ใช่เอาทิ้ง วางไว้ก่อนวางไว้นั่นมีรูปมีเมียก็วางไว้นั่นมีทรัพย์สมบัติก็วางไว้นั่นไม่ให้โทษ ท, ทิ้งกะาะทงกรรมฐานคิดเล้วมันมีอันเดียวเฉพาะหน้าแต่มีสติ อันอื่นก็ไม่มีถ้าไม่มีสติอันเดื่นก็มีเยอะแยะยังทําเป็นตัวเป็นนาคาลิกะบุคคลไม่มีอาชีพทางจิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตปิโกนังจิขาสาชีวสมาปนันาถึงพร้อมด้วยจิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลาย ชีวิตที่มันจะเนื่อก่อนเกิดเจ็บเจ็บตายต้องเลี้ยงด้วยศีกขาและธรรมศีกขาคือเธอหลงเคยย่อยให้ได้เกิดเนื่อให้เกิดเป็นธรรมขึ้นมาให้กายได้รับความเป็นธรรมให้ใจได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นมาเลี้ยงโดยอยางนี้มห้เธเลี้ยงโดยข้าวปลาอาหาร บ า, าหารก็ม่ได้แก่เก็บตายไม่ค่อยจะมีคนทำอาจจะเป็นบาปก็ได้แต่เรี่ยงไม่เป็นก็เป็นบาปอาชีพทุจริตจิขคารธทรมคือเป็นอาหารต่างกิจวิญญาณมีสตินี่คือจิกข้ นี่รรมเกิดควาดีเกิดขึ้นกลมหลงไม่เป็นธรรมก็ไม่หลงเป็นธรรมบริโภคความเป็นธรรมหาความเป็นธรรมได้จากกาจากใจนี่สิ่งที่ทําให้ไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นที่กาที่ใจนี่ถ้าเรามีสตาดจะลูจ่จอกจะได้เห็น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 จำเป็นมากในคราวที่อะไรมาเกิดขึ้นกับกว่ากระจต้องมีการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนให้เป็นความดีมีสติเป็นเครื่องมือเครื่องทุ่นแรงมาไล่เป็นดีได้ถ้ามีสติเป็นที่ตั้งเอาไว้เพราะสติมันไม่เหมือนนันอื่นมันเหนือทุกอย่าง อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จักหมดถ้ามีสติเป็นเกณฑ์ชีวัดถ้าไม่มีสติก็เอาหมดทุกอย่างซึมซับหมดทุกอย่างถ้าขาดสติก็ซึมซับ อ, อกความชั่วอาจจะยเยอะ้ยะไปมากไปก็มีนดินพวกท้งหมู ถ้าเรามามีสติดูขอยดูใจนีมีแต่งานแต่การที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ทำความดีแเพราะหน้าทันทีกู้แขนเข้ารู้สึกอย่างฉันดอกรู้สึกจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวจะได้เปลี่ยนให้เป็นความรู้สึกตัวนี่อาหารถังกิดวิญญาณในรับเข้าไป ลู้เข้าไปลงลู้ ก, มก็มากลู้มากรู่รวมหลงกนลง็น้อยลงน้อยลงเราความชั่วได้ทำความดีได้ทำกิจบริสุทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นถ้ามีความรู้ปันผลองมีศรัทธาเชื่อในความรู้ ในความเพียนขยัอนรู้ทำไปมาเกิดความขย้อ น, นเกิดความเพียนแล้เกิดความใส่ใจมันเห็นผลเหมือนกันออกกำลังกายมันเห็นผลเกิดขึ้นไม่ได้รอชาติหนะ้าแต่เป็นบุญก็เกิดขึ้นลูก บุญคือลูกไม่ง้อสิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจลูกคือบุญพอลูกก็ไม่ทำความผิดพอลูกก็ทำแต่ความดีโดยให้กายให้ใจทำความดีกาก็ได้บุญเกิดความดีความถูกต้องควา ม, มนัฐธรรมม่อาในสงูงก็ไมีความ สุขที่เกิดจากบุญไม่เหมือนบาปในความทุกข์ที่เกิดจากบาปในความโกดความโลภความหลงความไม่โกดความไม่โลภไม่หลงเปลี่ยนที่เดียวกันในความหลงในความไม่หลงในความโลภในความไม่โลภในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ มาล่าเป็นดีเก็บเอาความดีจากความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมากับกาย ใ, ใจเรานี่ถ้าเรามีสติจะได้เห็นแต่จิิงไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมาเกิดความขยันหมั่นเพียรเหมือ น, น, นกับอาชีพทานจิตวิญญาณไม่ไม่ฟรี เหมือนโดกกำลังกายเส้นแข่งแขนยืนให้ถูกต้องแข่งแขนให้ถูกต้องเอาลิ้นกดเพดานไว้มันจะลับเพือดขับลมลมก็จะขึ้นเบางบนเออออกลมจะพัดลงมืองล่างปล่อยลมออก เลือดขอบลมเลือดก็จะดีลมก็จะดีเลือดดีลมดีอะไรก็จะดีไปอีกหลายอย่างนี่การออกกําลังกายก็มีผลขึ้นมาเรากินข้าวโยกคืนลงไปแต่ละคําก็มีความอิ่มขึ้นมาเองความหิวก็หมดไปเอง ความเป่มกิดขึ้นมาจากอาหารกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นพลังงานทำความดีคกอดขึ้นที่ขาที่ใจท้ามีก้ารสุขภาพก็หล่อทาขึ้นมาการกระทำขึ้นบ้างอาหารดังจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันได้ประโยชน์ขึ้นมาต่างเก่าพ้นภาวะเดิม เนี่ยเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากทำไม่ไเฉยเลยทำชั่วความชั่วเนี่ยเนื่อไม่ทำความชั่วทำต่ความดีก็เกิดอะไรขึ้นอีกมากมายจากคนดีกาดีใจดีงันพูดมาวานเลยว่า โลกนี้คนดีขงงาดแคลนคนชั่วอาจจะมากกว่าคนดีเช่นในรวงตัวเรานี่ถ้ามีจิตจะได้เห็นเห็นความหลงมากกว่าความรู้ฝึกใหม่ๆ ม, มันแยงไปไปทางตาบางไปทางหูจะหมกเิื่นกายใจให้ผ่านไปทางใจนี่เยอะมาก นั่งใจจะสร้างจะบ่สิบสี่สิบห้าจัะอาจจะลู่สัสองสามจังหวะที่เคลื่อนไหวเท่านั้นนอกนั่นก็หลงไปต้องทวนกระแสะกันใหญ่กูมีลูกก็ ค, คิดแบบคนมีลูกกูมีผัวมีเมียก็คิดแบบคนไมีผัวมีเมียคนมีความทุกข์กูคิดแบบคนมีความทุกข์คนมีความสุขก็คิดแบบคนมีความสุข แล้วแต่มันจะคิดไปเพราะมันเคยชินจิตใจของเราก็หลายอยู่หลยอยู่เรื่อยกลางคืนก็ว่อฝันกลางวันก็ว่าคิดพอมาให้มันอยู่ที่เดียวมันไม่ยอมไหลไปสิงที่มันเคยไหลแล้วก็ต้องกลับมาลู่กลับมาลู่ใหม่ๆก็ต้องทวนกระแสต้องสู้ กหนอยเราจะยากช่งหน่อยเกิมลูกเรจะยากต้องเข็นกันอานความหลงอาจจะง่ายงานน้อมหลัจากที่สูงสู่ที่ต่าตุกใ ห, ใหม่เป็นอย่างนั้นกันทุกคนนอกจากเกิดทังจิดใจแล้วที่เป็นความหลงในทางความคิดเกิดความง่วงเหงาหนนอน อะไรต่างๆมากม า, กมายามัยจะเกิดขึ้นบางเรื่องนะเราให้เราหลงเอ้โาหม่วมอยใสหมดเลี่ยงหมดแรงเลื้อนตาไม่ขึ้นทำให้ความอยากหลับอยากนอนวางความเพียรตึงกลางคืนก็นอนเต็มที่แล้วกลางวันก็นอนอีก ทิ้งความเพียรเลยไม่ได้ความเพียรสติไม่ก็เลยโงกงามมือนก็ปลูกข้าวในียวลานหนินก็มันค่อยจางงามเราจึงมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีปัญญาช่วยหลายทางเอาอย่างพพุทธเจ้าอย่างคนดี เมื่อใดฝนห่งวงเกิดขึ้นมาก็เดือคิดเสีย ว, ว่าเออพผู้เจ้าก็เห็นเรื่องนี้จึงได้เทศนาว่าวห่วงเหอหอนอนเป็นภูเขาลูกแรกว่านี่วอนละทำเหรอจนภูเขาลูกแรกที่ต้องก้ามก้าวข้ามไปใครก็เหมือนกันว่านี่วอนละทำเป็นภู ขอลูกแรักขวงกันจิตมาให้บรรลุผ ง, งามความดีทุกคนก็มีผู้เจ้าก็เห็นเรื่องนี้นอกจากที่วอรัฐธรรมก็มีความหลังเลยสงสยัยเรื่องต่างๆพุ้งเข้ามาอะไรผิดอะไรถูกต้อาเหตุเล่าผลลืมสติไปเมื่อจะไปคิดเหตุคิดผล ลอง เ, เลือสจงสอยวันที่เกิดพยญหาทกดไอ้คก็เข้นก็ฉายออกมาคนรักก็ใชยออกมาเกิดกรรมอะคร า, คาปฏิฆาเคยมีจิตเดนหาติดอะไรมาก็าคิดไปทาง น, นั้นลืมสติไป เาเห็นอย่างนี้ก็เออผู้เจ้าเห็นอย่างนี้จึงได้ว่าผู้เขากันจิตไม่บรรลุกุลามความดีเรต้องข้ามไปได้เว้ย้พยายามมันก็มเ่ียิจังอะไรไกง่วงเอา้อนอนหาว อ, า, อาปากมั้ก็มัม่ง่วงหัดได้ชีวิตของเราเนี่ย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 การงานมาให้ในงานชอบขึ้นมามเมื่อพึกผ่านภูเขาลูกเด้ก็นิสัยจิตนิสัยสังโยชน์ก็เจงเจงง่ายสังโยชนก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากถ้าเรามีถ้าเราผ่านภูเขาลูกแรกได้ตัดสังโยชน์ได้ง่าย สักยะทิติวิจิจีชาศิรพะปาลามาตถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเอาความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการจาก ใ, ใจว่าเป็นตัวเป็นตนเราม่นิสติล้วก็เห็นเวลาม่มีสติไปในการก็เป็นสูตรไปแล้วง่ายไปแล้ว เห็นกายจักแต่ ว, ว่ากายไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาทำไมจึงจิตัดไม่ได้ัยศสามศักกายอทิตติคือเรื่องเกิดกับกายให้ออกมาเป็นฉุกเป็นทุกข์ทำไมมันจักแต่ ว, ว่าเสียแล้วการตัดสังโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่จะเรื่องรากนี้สูตรอยู่หลักสูตรมีอยู่ ในสติปัฏฐานวิชาที่เราทำกับประฐานอยู่นี่เป็นสูตรที่เฉลยได้เฉลยได้ให้เกิดแนวร่วมไปก่อนเราท่องสูตรเลขสูตรคณิตศาสตร์สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สองสอเป็นหสองสี่แปสองห้าสิบ ไปก่อนวันนี้เอาไวา้ใช่2 5งห้ต้องเป็น10 2 5เป็น11ไม่ถูก2 5งเป็น9ก้ไม่ถูก2 5ต้องเป็น10ความหลงไม่ถูกความไม่หลงถูกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยผิดถูกรู้จักชัดเจ น, นแจ่มแจ้งเห็แนแจ้งรู้กแจ้ง ผมหลงไม่จริงไม่ต้องถามใครความไม่หลงจริงแก้งจริงๆความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องแก้งกงจริงๆเกิดวิปัสสนาขึ้นมาเราไม่จะตัดไม่ได้อออมาเป็นฉุกเป็นทุกข์ทำไมสิ่งที่เกิดกับกายไม่ใช่ออกมาเป็นฉุกเป็นทุกข์ออกมาเป็นความรู้เป็นสติปัญญา ก่อนเนี่ยร้อนก็เป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์หนาวเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมอาการที่เกิดเกิดกาเยอะแยะไม่ใช่ออกมาเป็นทุกข์ได้ปัญญาขอบคุณที่มันรู้จักร้อนขอบคุณที่มันรู้จักหนาวจุดเกิดมันเจ็บขอบคุณที่มันรู้จักเก็บมันเป็นสัญญาณภัยให้เราได้ช่วย น่าจะพูดง่ายเช่นมันหิวอย่างนี้ไปทุกทำไมแต่ไม่มีความหิวก็ถูกต้องแล้วแสดงว่าอาหารขาดในกระเพาะไม่มีพลังงานแล้วต้องกินต้องหาสิ่งที่จะกินไม่ใช่ความทุกข์ี่ความฉุกด้วยหรือว่าเราปกติที่ชุด ่าสีขนสั้ น, นปกติที่สุดแล้วถ้าไม่หิวเนี่ยอันตรายเบื่ออาหารเนี่ยอันตรายรับรอว่าเป็นโลรลายเฉยแล้วเกิดไม่หิวอาหารจากน้ำหนักเกติบหออ้ากิโลเหลืออยู่สี่สิบหกกิโลเนี่ยมันไม่หิวเบื่ออย่างรุ่นแรงกลายเป็นโลกมาเลยก็ดับสุดท้ายหลับที่สี่ไปไม่รู้สึกตัวเลย เพราะฉะนั้นมันหิวมันดีแล้วไปทุกทําไมอาการที่มันเกิดขึ้นมามนเป็นความจริงที่มันบอกความเทดความจริงทำไมจะตัดม่ได้สักขยทิฐิเนี่ยเราเรื่องเกิดความไปทุกทําไม่ศีลปต์ตาปรามาตถเอาจริงเรื่องอัะไรถามถามความจริงอะไรมันเป็นความจริง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 ต่อไปเลยอ้าวจิตติจจนประกาศออกมาได้เลยแต่นี้ไปําว่าทุกคําว่าถูกเอากใจมาเป็นถุกเป็นทุกจะไม่เอามาใช่ยอย่างนั้นแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เอาใจเอาใจไปทําคนอื่นจริงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเด็กต่อไปเด็ดขาดเด็ดขาดแนี่เนี่ยสักกิจติวิจิจฉาชีลิวัตรปลบาตตัดอย่างนี้ แต่มันมีทุกปีโทษอะไรมันก็เป็นประโยชน์ความดีจึงจะเกิดขึ้นกับคน้าไมตัดจากนี้ความดีก็ขึ้นในยากเข็นเจตัวโลภมากก็ทำลายทำคนให้เดือดร้อนแล้วของคนนันเป็นของตนเอง ต, ตัด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 พนเป็เพื่อนเป็นคนดีอย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็มีความสุขความสุขประกอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เบียดเบียนทับ้ายอะไรต่างๆจะทำความดีความดีที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะอากาศเป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อวัฒนธรนเป็นพลัง ให้เจแปคพทธศาสนาเป็นแบบอย่างน่าเคารพนกรอบวหวนีเรืว่ า, ววาความดีเกิดขึ้นแล้วในโลกคนดีเกิดขึ้ น, นในโลกโลกก็จะได้อาศัยยินเราอยู่ที่นี่เราอาศัยวัดว่าก็ต้องอาศัยเรา เราไม่เพื่อนนอาใช้เพื่อน เ, ออเพื่อนก็ต้องอาใช้เราเพื่งเหลือเฉือเพื่งป๋ามีคนบังเพื่งนป๋าอาใช้เราเยอะมากพ่อแม่ละ่ะพี่อน้องสัลลาชึงจึงเวรลอ้อมเยอะหลายอย่างที่ต้องอาใช้เราอยู่เวลานี้ในวันนี้ก็มี สวส์สลาเชียงเมี่อต่างต้นม้แม่น้ำเดินดิ น, นาาดากหน้านี่ก็ระวังไฟป่าไม่จะไหม้เข้ามาในวัดเราใช้เราป้องกันให้อันตรายเกิดขึ้นทำห้สูนเฉียะชามวยก็มีคนชั่วก็มีเราก็เดือดร้อน สายไฟที่ไปสูบน้ำผสมน้าหอวน้าที่ทางที่ศวนตกเขาก็ลักเอาไปเอาไปฝังไวเง้เอกอาจจะลักอีกก็ได้ขโมยออกก็ได้แล้วก็เดือดร้อนถ้าเราเป็นคนดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรป็นการสร้างสรรค์ทำให้โลก เป็นประโยชน์ต่อโลกหวานผู้กับหลงปูปวงแห่ต้นไม้มันตายแถวสวนที่หลายยกระหน้ากติของจันทร์จินตุลีเรื่ปาล์มแดงอย่างดีราคาต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500-600 บาทเป็นมันตาย เราไปเห็นกันโอามันค่ายก็มันขอลองช่วยด้วยหลวงตาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปพูดกับหลวงปู่กลมว่าหนูขอขอเช่วยเหลือจุดหลวงปู่หลวงปู่ก็เดินผ่านมานี่ก็มาช่วยเห็นปะเห็นโยมเห็นพี่เห็นเดินผ่านมาไม่ได้เย็นเสียงลองขอลอง ก็จิตบริสุทธิ์จิตบางนนัอ้อาจารย์พุทธทาสว่าเมื่อจิตบางจะได้เห็นฉ่างย่าพูดต้นไม่พูดอาจารย์พุทธทาสว่าอย่างนั้นนะเห็นอะไรก็ไม่ทอดมาเที่ยงดอกมีแต่สิ่งที่ช่วยเหลือเกิดความดีขึ้นมาจากคนดีเราไม่รู้หะไรจิตนั้นวุ่นอยู่มัวแต่คุ้นคิดแต่ลมที่คุ้นคิด ไม่ว่างไม่ปล่อยไม่ว่างไม่เห็นโลกตามความเพ็้ความจริงอะไรควรช่วยอะไรไม่ควรช่วยอะไรควรละไม่ควรละไม่รู้เมื่อดบอดมีจำนวนมากเราจึงมาเป็นคนดีด้วยการปฏิบัติธรรมดีจริง เป็นคนดีจริงๆจะไม่จิตวิญญาณก็เดินในความสุขด้วยพ่อแม่มีลูกเป็นคนดีเพาะแม่ก็มีความสุขแล้วลูกเป็นคนชั่วก็พ่อแม่ก็มีความทุกขตอนยังพู ด, ดวว่ารบหว่างพ่อแม่กับลูกนะ หัวใจหัวอกของใจพ่อแม่นะ 1. หนึ่งหวงใหญ่ลูกตลอดเวลาสองได้เลยมาคิดถึงลูกก่อนสามเอาใจเอาใจใส่ต่อุกภาพของลูกยิ่งกว่าสุขภาพของตัวถ้ลูกหิวพ่อแม่จีมไม่ได้ถ้าลูกแังหนาวพ่อแม่จะุนไม่ไ ด, ถมไมได้ถ้าลูกยังร้อนพ่อแม่จะเย็นไม่ได้ถ้าลูกเย็มก่อน ลูกคุณเยอะก่อนลูกเกย็นเยอะก่อนเพราะว่าชินจะเย็นตามเอาใจใส่ต่อสุขภาพของลูกยกิ่กว่าสุขภาพของตัวตีคอยป้องกันอันตรายทั้งปวงมามให้เกิดขึ้นในชิดหลังเกียดตนะิในริงที่เนื่อหลังเกียรตของลูกขี้เยี่ยวไม่หลังเกียดนอนกันเกินเอาจมมือไปคขมก้นดู ถ้าเป็นี่ก็เอามาดมดูเหม็นๆก็ลูกขึ้นมาล่างเช็ดถูให้บาทีไม่หลังเกียดจริงๆนะเห็นแล้วสมัยเป็นหนุ่มกินข้าวกับพี่แม่สุดเนี่ยมีลูกพวมลูกกินข้าวลูกก็จนนั่งอยู่ตักแม่ ก็เคี่ยงก็ดิง้งออกไปใส่ถ่วยถ้วยปนถ้วยอาหารแล้วก็กูไม่กินแม่มันลับลุกหนีออกไปที่เกียดตเย่อหลานไปถูกเอาถ้วยอาหารก็ถูกไว้ถูกหมดเราถูกถ้วยหนึ่งถูกถ้วยปนแม่ช่วยเอามานี่กูกินเอง แม่จฉกตอมเจี๊ยมปนกินจนดิ่มไม่หลังเกียดในริงแท้หลังเกียจของลูกทุกเรื่อไม่ทรม า, านจิตใจพ่อแม่เป่ากับลูกผู้ชั่วช้าหายอนี้นระกอบสุข ท, ทุกทุกเมื่อลูกเป็นคนดีพ่อแม่ประกสุขใจอันนี่ปริเสธไม่ได้ลูกคนก็มีพ่อมีแม่ มีสิ่งผู้เจี่ยวข้องเราจงมาเป็นคนดีปฏิบัติธรรมละความชั่วทำความดีและเป็นประโยชน์ต่อตน เ, เองด้วยมีคนไห้ค่าขึ้นมาจากความเป็นคนมาเป็นกันลยานละชนขึ้นมาคนดี จากกันลยานชนมาเป็นพระอายะบุคลคลชัน้นใดชั้นหนึ่งพระโดาบาันพระสติข า, ามีพระนาคามีพระละหันก็ยิ่งวิเศษก็ชีวิตจะประเสิฐนี่เลื่อนชั้นได้ถ้าไม่พัฒนาไม่ศึกษาก็ต่ำลงไปไประชูทั้งต่ำ เราจึงต้องปล่อทิ้งไม่ได้ประโยชน์มากกายใจเราเนี่ยมีเครื่องมือทําความดีต่อมาเป็นเครื่องมือทาํากรรมดีเห็นสิงเท็ทมด่ดีจะได้ช่วยให้มันดีหนูได้ยินสิ่งนั้มด่ดีจะได้ทําให้มันดีเยี่ยคอยใ จ, าใจมาเป็นเครื่องมือทํากรรมดีได้ มากมากทีเดียวเลยสร้างโลกได้โลกพึ่งผาเสดได้เงีย น, นี้สงเกิดขึ้นเองก็ระลอบมันปัจจัตตังดูเองเห็นเองไม่ทำบาปเองก็ไม่ต้องเช้าหมองเองทำเรารักษาผู้วิธรรมให้ตกไปในที่ชั่ว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 เป็นเล่าก็เป็นโลกตอบสุบรีเป็นโลกปอดเพราะตัวเองทําตัวเองเกิดโลกเกิดจากการอาหาร่านลงไปทั้งอาหารนี่แปดิเปอร์เซ็ถ้าไม่รู้จักวพวกบริโภคไม่ถูกต้องชอบอะไรก็เอาแล้วองนั้นไม่ชี้เสียดาย เสือเรามากินได้เรื่องบุตีมาสูบได้แลังท่านเนียไม่มีประโยชน์นเลยเลยเ็าเห็นว่ามันดีวนนั้นจึงมาฝึกกรรมฐานเป็นหนกปโ่ที่แห่งกวาดีมีชีวิเป็นปในกายรู้ฉันเข้าเหยื่อฉันหนอกรู้จักตัวอมีโอกาสกันเต็มที่ เป็นมีเป็นเพื่อนจะไม่พาลงที่หลงทางไม่อุ่นใจให้สบายใจอย่าคิดหลายมากเราไม่ทอบมาทิ้งกันสัญญาติสางยิ่งแล้วไม่ใช่เหลาไก่พ่อไก่แม่ไก่พี่กันน้องนี่แหละญาติที่สุดคือการยานะมิตรผู้ปฏิบัติธรรมน่ยมีอะไรก็บอกกันได้ ช่เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่กันห่างกันให้จับคู่กันให้เห็นกันทุกวันชีวิตให้มีคู่กันทุกวันเห็นกันทุกวันแต่ละคู่ละคู่ถ้าไม่เห็นก็ต้องถามหาบอกกันไปไหนไปไหน ได้ไปไหนก็บอกกันให้รู้จักว่องกันลัตรายทั้งวงที่จะเกิดขึ้นเจอกันแล้วกันเห่นกันทุกวันตามเห็นก็ตามหาอ่าก็สมควนใจ้เวลานะควันน